ในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าธรรมบุญฝั ง, งท่านก็จะมีวิธีในการที่จะนํามาบอกสอนอยู่ต่างๆมากมายในคําสอนนี้มีผู้สอนอยู่คนเดียวนั่นคือพระพุทธเจ้าคือถ้าใครสักคนใดคนหนึ่งในนะธรรมบุญฝังนะเขาคิดคน้นเรื่องราวความรู้ หรือวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งได้เนี่ยเขาจะมาเปิดเผยกับคนอื่นได้เนี่ยเขาก็ต้องมีการบอกการสอนใช่ไหมที น, นี้พอเขาบอกเขาสอนไปให้กับคนกลุ่มหนึ่งฟังแล้วคนกลุ่มแรกที่ฟังไปแล้วนั้นเนี่ยเขาเอาไปบอกต่อสอนต่อเนี่เขาก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่สอนตามผู้ที่คิดค้นได้นั้นขึ้นก็นนคือเขาไม่ได้เป็นคนคิดเอง แต่เป็นคนที่บอกตามผู้ที่เขาคิดนั้นก็ชื่อว่าเป็นการบอกต่ออย่างเช่นว่าทฤษฎีสัมพัทธภาพที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์เขาคิดค้นขึ้นได้เนี่ยนะพอเขาคิดค้นขึ้นได้มีสมการมารับรองทฤษฎีของเขาเขามาบอกมาสอนเนี่ยบุคคลที่กล่าวทฤษฎีสัมพัทธภาพก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่สอนตามอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ คนที่กล่าวตามอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นั้นอาจจะมีเทคนิควิธีนำเสนอที่ง่ายๆอาจจะไม่ได้ใช้สมการทางคณิตศาสตร์แต่ว่าใช้เหตุการณ์จากประสบการณ์จริงบ้างยกตัวอย่างอุปโมาอุปไมยบ้างสามารถที่จะนำเสนออาจจะมีประสิทธิภาพกว่าผู้ที่คิดค้นนั่นโดยซ้ำเช็นมาในสมัยปัจจุบันอาจจะมีนักเรียนมัธยมที่เขาเข้าใจมุมมองของ ทฤษฎีของอเบอร์ไอน์สไตน์เนี่ยจากวิธีที่เด็กมัธยมเขาจะเข้าใจได้เขาก็จะมีวิธีการนําเสนอแบบใหม่ๆรูปแบบอื่นๆที่มีความเข้าใจได้ง่ายแต่ก็ยังชื่อว่าบอกตามผู้ที่สอนคืออเบอร์ไอน์สไตน์นั่นเองแล้วอเบอร์ไอน์สไตน์สอนจากไหนเขาก็สอนจากที่เขาคิดเองเขาไม่ได้สอนตามคนอื่นสมมุติว่าถ้าอเบอร์ไอน์สไตน์ทฤษฎีสมมติภาพเนี่ยเอามาจากนักวิทยาศาสตร์ x Aber Einstein ก็จะไม่ได้ชื่อว่าเป็นผู้สอนทฤษฎีนี้แหะก็จะชื่อว่าเป็นที่บอกตามนักวิทยาศาสตร์ X แต่ว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเขาเป็นคนคิดเองก็เป็นคนบอกคนแรกนันก็ชื่อว่าจึงเป็นผู้สอนในทางคําสอนของพุทธา น, นี่ก็เหมือนกันสมณัโคโดมสอนเอาไว้ก็ไม่ได้เรียกว่าบอกเฉยๆนะเพราะว่าท่านไม่ได้กล่าวตามใกลเออถ้าสมณัโคโดม เราตามสมณะ x เราจะไม่ได้เรียกสมณะโกดมว่าเป็นผู้สอนแต่ก็จะเรียกว่าเป็นผู้ที่บอกตามสมณะ x นั้นแต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นสมณะโกดมเนี่ยเป็นผู้ที่คิดค้นขึ้นเองแล้วก็บอกสอนไว้เป็นคนแรกซึ่งการนาเสนอข้อมูลที่ตัวเองรู้คนแรกเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการสอนแต่การนําเสนอข้อมูล ที่ตัวเองไม่ได้เป็นคนรู้คนแรกแต่ว่ารู้มาจากคนอื่นในที่หนึ่งเนี่ยเขาไม่เรียกว่าเป็นผู้สอนองไงท่านบุฟังเ็เรียกว่าเป็นผู้ที่บอกต่อเป็นผู้ที่กล่าวต่อ น, น่คือในทางคําศัพท์ภาษาบาลีเนี่ยเขาจะมีความรัดกลุ่มอย่างนี้พระพุทธเจ้าเองบางทีท่านกล่าวตามคนอื่นก็มีท่านเกิดจะใช้บทเพียนชนะว่าเออแบบเนี้ยเป็นสิ่งที่ผู้รู้เขาจะกล่าว ซึงคำว่าผู้รู้นี้ก็ไม่ได้หมายถึงพระพุทธเจ้ารูปเดียวผู้อื่นที่ก็เป็นผู้รู้เขาก็จะกล่าวอย่างนี้เหมือนกันในเรื่องของบทบัญญัติคำสรรพสารเนี่ยก็จะมีความรัดกุมกันถึงขระนั้นี่แล้วคุณสมบัติในการนําเสนอในธรรมบังฑ์คุณสมบัติในการนําเสนอเนี่ยนะพระพุทธเจ้าของเราก็สุดยอดอยู่แล้วคาว่าคุณสมบัติในการนําเสนอข้อมูลอย่างเงี้ยอย่างเช่นว่า พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเราอาจจะพูดกันทั่วๆไปว่าโอ้ท่านสอนเก่งสอนเก่งแต่บทเพียนชนะที่ถูกต้องในที่จะให้เกิดความรัด ก, กุมรอบคอบไม่ละหลวมเนี่ยผู้สอนที่มีอยู่คนเดียวคือพระพุทธเจ้าอยู่แล้วแต่ท่านอาจจะนําเสนอเก่งะการนําเสนอมีเทคนิคการพูดมีการยกตัวอย่างให้เห็นได้ในชีวิตประจําวันแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารชักจูง ให้เข้าใจความเกิดความอาจหารในการปฏิบัติเออนี้จึงทำให้ดูเหมือนท่านสอนเข่งแต่ศัพที่ควรจะนามาใช้ในการอธิบายลักษณะของท่านเนี้ยก็คือว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถในการนำเสนอสามารถทำให้ธรรมะนั้นมันดูทันสมัยตรงนี้นะฟังให้ดีนะท่านฟังนะเพราะว่าจริงๆธรรมะเนี่ยไม่ได้เป็นของทันสมัยหรือล้าสมัย เพราะว่าเป็นของที religion, ่เหนือความทันสมัยเหนือความล้าสมัยไปแล้วคือเป็นอาการลิโกเหนือเรื่องของเวลาไปละทีนี้พอเหนือเรื่องของเวลามันก็จะไม่มีทันสมัยคือถ้ามีทันสมัยก็ต้องมีล้าสมัยแน่มันต้องมีจุดนั้นที่จะต้องมาถึงแต่ว่ามันเหนือเรื่องของเวลาไปเลยนั่นคือธรรมะมันไม่มีเก่าไม่มีใหม่เน่ยมันเหนือตรงนั้นไปแล้วมันเป็นอากาลิโกทีนี้เทคนิคในการนําเสนอ เรื่องราวที่จะให้คนเข้าใจได้เนี่ยพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นท่านก็จะต้องนำเสนอด้วยเรื่องที่คนสมัยนั้นเขาจะเข้าใจเช่นถ้าพูดถึงการเดินทางก็จะต้องเป็นบัวนะ่ใช้พานะที่มีสัตว์เป็นตัวนาไปนะหรืออาชีพก็ส่วนใหญ่ก็ยังเป็นการเกษตรไม่ได้มีอุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์หรือว่าอุตสาหกรรมอื่นๆใดๆรูปแบบของการสื่อสาร ก็ยังเป็นการเขียนจดหมายติดประกาศหรือว่าส่งทูตไปไม่ได้เป็นการใช้โทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นรูปแบบในการนําเสนอที่จะทําให้คนสมัยนั้นเขาเข้าใจได้ก็ต้องเป็นแบบของคนสมัยนั้นทีนี้พอสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมท่านผู้ฟังธรรมะนี่มันไม่มีกล่าวไม่มีใหม่อยู่ละเหนือตรวนั้นเป็นหลักแต่ว่ารูปแบบในการนําเสนอบางทีบางครั้งก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยให้มันเหมาะสม เฉพาะรูปแบบการนําเสนอตรงนี้นะตัวอย่างเรื่องราวการใช้ในชีวิตประจําวันบังทีก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปนี้เป็นรูปแบบการนําเสนอยังรวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีด้วยสมัยก่อนก็เป็นการบอกปากต่อปากแสื่อสารกันไปจดบันทึกบ้างเขียนเป็นโน้ตเขียนเป็นจดหมายไปสมัยนี้เอามีวิดีโอมีวิทยุมีการบันทึกเสียงก็มีเทคโนโลยีที่แตกต่างกันไป ทำไมการนำเสนอนั้นมีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นต้องเปลี่ยนแปลงไปตามสมัยแต่ธรรมะนั้นเป็นของไม่เกี่ยวข้องด้วยเวลาอยู่แล้วทีนี้ในเรื่องการนำเสนอธรรมบุญฝังถ้าเราพูดเจาะจงมาเฉพาะในการนำเสนอเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราก็สุดยอดอยู่ดีและทั้งเป็นผู้คิดคนด้วยและเป็นผู้ที่สามารถที่จะนำเสนอได้ด้วยการนำเสนอคนแรกนะ ก็เรียกเป็นครูผู้สอนก็จึงใช้คําว่าศาสตราแต่ถ้านําเสนอต่อจากคนได้อีกทีหนึง่งเขาไม่เรียกว่าเป็นผู้สอนแล้วนะเขาก็จะเรียกว่าเป็นผู้ที่กล่าวตามทีนี้ว่าผู้ที่นําเสนอคนแรกเนี่ยถ้าท่านแบบนําเสนอไว้โดยรายละเอียดเยอะแยะมากมายแจกแจงหลายวิธีแบ่งบัญญัติทําการเปิดเผยจําแนกแจกแจงเอาไว้มากเนี่ยคนที่เขามาฟังต่อเนี่ มีความเข้าใจลึกซึ้งลงไปใช่ไหมเขาก็สามารถที่จะไปนําเสนออื่นๆต่อๆไปเนี่ยได้มีความละเอียดมีความกว้างขวางมีความลึกซึ้งแย่แย่แจกแจงได้หลายในหรือว่าโดยหน้าอาศัศจรรย์โดยละเอียดโดยพิสดารได้แต่ซึ่งพระพุทธเจ้าของเราตามะมังท่านทําอย่างนั้นหนึ่งในเทคนิควิธีที่ท่านสามารถนําเสนอ ได้โดยในรายละเอียดที่ลึกซึ้งแยบคายรัดกุมรอบครอบมีหลายห น, น่ายยะหนึ่งในเทคนิควิธีนั้นก็คือการยกอุปมาอุปไมตร์เนี่ยนี่ท่านใช้มากเลยท่านผู้ฟังข้าพเจ้าเกริ่นมาเยืดยาวเนี่ยนะเพื่อที่จะนําอุปมาอุปไมตรอันหนึ่งที่มีความน่าสนใจหมายท่านผู้ฟังฟังวันนี้คือจะพูดเรื่องของสุนัขยิ่งจอกนั่นเอง มีหลายครั้งหลายวาระท่าฟังก็ไม่ได้มากที่สุดหรอกแต่ก็พอประมาณพอสมควรที่พระพุทธเจ้าจะใช้เรื่องของสุนัขจิ้งจอกมายกเป็นอุปมาอุปไมยสุนัขจิ้งจอกนะวันนี้จะพูดเรื่องของสุนัขจิ้งจอกนั่นเองสุนัขจิ้งจอกที่พระพุทธเจ้าเอามายกตัวอย่างใช้ในทางคำสอนของท่านมีอะไรบ้าง เรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตของสุนัขจิ้งจอกสักนิดหนึ่งนตจำเปนะสุนัขจิ้งจอกนี่ก็เป็นสัตว์กินพืชไม่ใช่สุนัขจิ้งจอกที่ไหนกินหญ้าเป็นอาหารสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเป็นสัตว์ที่กินเนื้อกินเนื้อเป็นอาหารแต่ว่าด้วยความที่ตัวของมันเล็กมันไม่ได้จะมีความสามารถไปในการล่าสัตว์อื่น จะมีบ้างก็ตัวที่เล็กกว่ามันนะเช่นล่ากระต่ายบ้างล่าหนูบ้างอันนี้อาจจะมีแต่ก็จะไม่ได้ไปล่าสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่ามันได้เนื่องจากกำลังของมันไม่พอมันจะไม่เหมือนกับสิงโตหรือว่าหมาป่าอย่างเงี้ยนะหมาป่าเนี่ยมันจะอยู่กันเป็นฝูงมันอาจจะล่าสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่ามันได้สิงโตหรือว่าเสือนี่ก็เป็นสัตว์ที่มีกาลังมากก็สามารถล่าสัตว์อื่นได้ แต่ปกติของสุนัขจิ้งจอกสัตว์ตัวเล็กเราก็จะไม่ได้อยู่กันเป็นฝูงใหญ่ๆอาจจะอย่างมากก็สองสตัวแต่โดยทั่วไปแล้วเวลาออกหาอาหารก็จะออกหาตัวเดียวซะเป็นส่วนมากอุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้าจะยกใช้ในเรื่องของเจ้าสุนัขจิ้งจอกนั้นก็จะมีหลายอย่างอย่างหนึ่งที่จะใช้อยู่บ่อยๆเลยก็คือพูดถึงสุนัขจิ้งจอกเนี่ยโดยความที่มันไปกินซากศพ ที่อยู่ตามป่าช้าผีดิบผีดิบเนี่ยหมายถึงผีที่มันยังไม่สุกอ้ตรโมบฟังคือเขายังไม่ได้เผาคือถ้าเผามันก็สุกใช่ไหมแต่ไม่เผาเนี่ยมันยังดิบอยู่เขาเลยเรียกว่าผีดิบแต่จริงๆศัพท์มันก็คือเน่านั่นแหละมันยังไม่ได้เผามันก็เนา่าส่วนในจิ้งจอเนี่ยก็จะไปกินซากศพพวกเนี้พระพุทธเจ้าจะยกมาใช้ในเรื่องของการอธิบายโทษของกายว่ากายเนี่ยมีโทษอย่างไร คือพอคนตายแล้วก็จะเอาศพเนี่ยไปกองไว้ที่ป่าช้าผีดิบสุนัขจิ้งจอกบ้างสัตว์อื่นๆบ้างก็จะมากัดกินซากศพตรงนี้่จะมีอยู่หลายพระสูตรทีเดียวไม่ว่าจะเป็นในสติปัฏฐานกายาคตาสติหรืออนุสติแบบอื่นๆใดๆฐานไหนๆก็จะได้พูดถึงเรื่องของสุนัขจิ้งจอกที่มากินซากศพโดยกล่าวถึงโทษของ ร่างกายนี้กายนี้คือรูปนี้และในข้อที่สองในบูฟังอุปมาปไมายที่จะมาใช้กับเรื่องของกายคตาสติอีกอย่างหนึ่งนะคือในอันแรกเนี่ยพูดถึงโดยตรงแล้วว่าสุนาร์ทิ้งจอกนี่จะมากินซากศพแล้วอุบะมาบมยอันที่สองที่ท่านจะใช้เนี่ยก็คือเปรียบเจ้าสุนาร์ทิ้งจอกเนี่ยเหมือนกับอายตนะภายในอันหนึ่งคือหูโดยยกสัตว์6ชนิด นี่คืองูจระเข้นกสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกลิงนะหกประเภทนี้เปรียบเหมือนกับตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั่คือถ้าเราดูคุณสมบัติของสัตว์ทั้ง6ประเภทนี้นะนกนี่มันก็ต้องตาดีใช่ไหมจระเข้นี่พระพระทุทธเจ้าเคยเปรียบเรื่องของปากท้องเอาไว้มันก็เป็นลิ้นเนื้อลิงนี่ก็มันก็คือไม่อยู่นิ่งละเหมือนใจของเราเนี่ย มันคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เอาลิงนี่ก็เปรียบเทียบกับใจงูนี่มันก็เลื้อยไปด้วยตัวของมันอันนี้ก็เปรียบเทียบกับกายสุนัขบ้านนี่ก็เปรียบกับจมูกแตสุนัขทิ้งจอกนี่ก็เปรียบกับหูนั่นเองนั่นก็จะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายและใจเปรียบเทียบไว้กับสัตว์6กชนิดที่ผูกไว้กับเสาเขื่อนสามหลักเจ้าตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เปรียบกับสัตว์6กชนิดนี้ก็ต้องผูกเอาไว้กับสติดังนั้น อันที่2ที่พระองค์ใช้เรื่องของเจ้าสุนักจิ้งจอกเนี่ยก็คือเปรียบเทียบกับหูในที่ควรจะมีการผูกเอาไว้กับสติการที่เราเอาอายตนะภายในของเรามีการผูกไว้ด้วยสติเนี่ยการกระทำอย่างนี้เขาเรียกว่าการสารวมอินทรีย์หน้าตาหูจ ม, มูกลิ้นการและใจพวกนี้คืออินทรีย์อันนี้คืออันที่สองในว่ามาประมาณที่สามท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบเจ้า สุนัขจิงจอกเนี่ยเปรียบเทียบไว้กับหมานและโดยยกเรื่องของเต่าตัวหนึ่งที่หากินตามริมลำธารสุนัขจิงจอกก็หากินตามริมลาธารเหมือนกันสุนัขจิงจอกนี่ได้เห็นเ ต, าตาาาเ่ามาแต่ไกลก็เลยรีบวิ่งปรีเข้าไปปรีจาจับเต่าเนี่ยกินเป็นอาหารเหมือนโผล่ช่องมาตรงไหนเนี่ยนะมันจะโผล่มาทางหัว ขาหน้าขาหลังหรือหางของมันเนี่ยสุนัขจิ้งจอกนี่ตั้งใจไว้เลยว่าเจอตรงไหนเนี่ยจะกัดตรงนั้นออกมาแล้วก็ดึงเนื้อข้างในออกมากินทั้งหมดเตาเห็นสุนัขจิ้งจอกก็รีบเก็บอวัยวะไว้ในกระดองสุนัขจิ้งจอกก็จะไม่ได้ช่องแต่มันจะคอยช่องอยู่อย่างตลอดไปลาอันนี้เปรียบเจ้าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยเปรียบกับมาเตาเนี่ยก็คือผู้ที่ปฏิบัติในคาสอนนี่แหละ จะเป็นพระก็ตามเป็นคารวากะก็ตามเจ้าสุนัขที่จอนี่จะคอยดูช่องอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับมานที่จะคอยช่องจากเราอยู่ตลอดเวลาช่องทางที่เจ้าเต่ามันยืน่นขาหน้าขาหลังหรือว่าหัวของมันออกมาเนี่ยก็คืออินทรีย์แลเปรียบเทียบกับอินทรีย์ของเราคือตาหูจมูกเป็นต้นส่วนกระดอานั้นก็เปรียบกับเรื่องของสตินั่นเองนี่คืออันที่สาม ที่ยกเรื่องของสุนัขจิ้งจอกขึ้นมาละเปรียบเทียบกับมาร น, นันที่สามนี่เริ่มไม่ดีแล้วนะอันที่4ก็เหมือนกันตั้บุฟังเป็นเรื่องที่ไม่ดีของเจ้าสุนัขจิ้งจอกมีในสมัยหนึ่งที่ปรารบ ป, ปริปาชกที่ชื่อสรพะและโดยเปรียบสุนัขจิ้งจอกเนี่ยแบบทำตัวอยากจะเป็นราชสีแต่เวลาร้องขึ้นมาเนี่ยทำเสียงขึ้นมาเนี่ยแม่เสียงของสุนัขจิงจ้งจอกตั้งบุฟัง มันก็โหยหวนหอนขึ้นมาใช่ั้มมันจะคำรามให้มันฮึมขึ้นแบบเสือโครง่งหรือว่าราชสีเนี่ยมันจะทำไม่ได้มันมีคนละเสียงกันะคือตัวเองอยู่ในบริเวณนี้ป่านี้คนเดียวเนี่ยจะคำรามขึ้นฉนันประกาศความยิ่งใหญ่ขึ้นเนี่ยแต่เสียงออกมาก็เป็นสุนัขจรจ脚อยู่นั่นเองนัก็เป็นเสียงแบบแหลมแหลมเล็กๆหอนขึ้นไม่ได้จะเป็น คำรามมีเสียงหนักแน่นมีพลังเหมือนเสือโครง่งทำไม่ได้อันนี้คือปรารบปริภาชคที่มาบวชในธรรมวิ น, นัยนี้ที่ชื่อว่าสารพะพอมาบวชแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าจะมีอะไรก็เลยลาสึกออกมาแล้วก็ไปเที่ยวพูดให้คนหนึ่งก็ฟังว่าเนี่ยฉันบวชมาแล้วไม่มีอะไรหรอกฉันเลยสึกมาพระพุทธเจ้าก็เลยตามไปถามล่ละเอาว่าไหน ว่าไม่มีอะไรเนี่ยเป็นยังไงว่ามาถ้าพูดไม่ถูกก็จะได้ช่วยแก้ให้ถ้าพูดถูกก็จะอนุโมทนาใ น, นสรารพาดนี่ก็นิ่งเงียบไปเลยพูดไม่ออกถูกถามย่างี้สามครั้งก็เก้อเขินรักแร้มีเหงื่อไหลคอตกซบชาพูดอะไรไม่ออกอ้ำอึ้งใบในตอนนี้ไออุปมาประไมยที่เปรียบด้วยกับสุนัขจิ้งจอกอยากจะเป็นราชสีเลยทาเสียงขึ้นเนี่ย อันนี้จริงๆไม่ใช่เป็นพุทธพจน์หรอกแต่เป็นคำที่พวกปริพาโชเขาด่ากันเองพอนายสรพะที่เคยบวชมาแล้วมาพูดอย่างนี้เกิดเขินขอตกชบสาวพระพุทธเจ้ากลับไปแล้วพวกปริพาชกเขาก็ด่ากันให้น่าอัดเลยเอาไหนตะกี้บอกพูดงนี้แม้ทำไมพอสมณโคดมมาแล้วไม่พูดอะไรด่ากันไปนั่นก็คือทิ่มแทงด้วยห อ, อกคือปากโดยเอาสุนัขจิงจอก ที่อยากทําตัวแบบราชสีทําเสียงออกมาก็ยังเป็นสุนัขจิ้งจอกนั่นเองเนอามาดา่าเสียดแทงทิ่มแทงบริพาทสรบะปริพาโชกนั้นอันนี้คือในข้อที่4ในข้อที่ห้าทางฝังอันนี้เป็นพุทธพน์พระพุทธเจ้ายกถึงสุนัขจิ้งจอกแก่นั่นคือตอนนั้นเนี่ยในคืนนั้นน่ยมีสุนัขจิ้งจอกร้องเสียงหลงอยู่ในป่าแห่งหนึ่งเนีย่ยเราภิกษุทั้งหลายก็ได้ยิน พระบุตรเจ้าก็ได้ยินได้ยินตรงไหนเนี่ยท่านมีความฉลาดในการนําเสนอมากก็เอาตรงนั้นแหละมาสอนสุนัขจิ้งจอกที่ร้องเสียงหลงอยู่ในป่าคราวนั้นท่า น, น, นบอกว่าเป็นสุนัขจิ้งจอกแก่แล้วก็เป็นโรคเรือ้อ น, นคือผิวหนังของมันเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเชื้อโรคที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยทำให้หนังมันหนาขึ้นมาแล้วขนก็จะร่วงออก เวลาโดนลมพัดเนี่ยมันก็จะรู้สึกสะบั้นขึ้นเย็นขึ้นน่ยไม่เป็นแต่อยู่อยู่ไม่ได้จะอยู่ในที่แจ้งจะอยู่ในใต้ร่มไม้อยู่เงื่อมผาอยู่ริมน้ําโอ้ยมันจะไม่สบายมากมันก็จะคันด้วยโดนลมนี่มันก็จะสะบั้นขึ้นปวดขึ้นเนี่ยเหมือนลักษณะของคนที่เป็นโรคอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยนะท่านผู้ฟังอย่างเช่นพวกโรคพิษสุนักบ้านเนี่ยพอโดนลมพัด หรือว่าอะไรมากระทบเนี่ยมันจะมันจะไม่สบายในนี่เป็นลักษณะของโรคเรื้อนที่เกิดขึ้นกับเจ้าสุนัขจิ้งจอกแก่ตัวนี้โดยเปรียบเทียบเจ้าสุนัขจิ้งจอกที่เป็นโรคเรื้อนเนี่ยว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่สบายเนี่ยเปรียบเทียบกับภิกษุในที่ถูกลาบสการะเสียงสรรเสริญเยินยอนะครอบงำเขาให้แล้วเนี่ยอยู่ตรงไหนก็ไม่สบายนั่นคือเปรียบสุนัขจิ้งจอกนะกับภิกษุนะ เปรียบโรคเรื้อนกับเรื่องของลาบสการะเสียงสันเสริญเยินยอแล้วเขจะอยู่ในบ้านก็ตามอยู่ในป่าก็ตามถ้าจิตของภิกษุมีลาบสการะเสียงสันเสริญเยินยอครอบงำได้แล้วเนี่ยก็จะอยู่ไม่สบายเอปีนี้จะได้ตําแหน่งไหมเอใครจะมาทําทานหรือเปล่าเอ้แล้วทำไงถึงจะได้ตําแหน่งทําไงถึงจะได้เงินทองมาแล้วก็จะอยู่ไม่สบายจะอยู่ในป่าก็ไม่สบายจะอยู่ในวัดจะอยู่ในบ้าน จะมินดาบัดก็จะคิดแต่เรื่องพวกนี้จิตใจมันก็จะไม่สบายนี่นคือเปรียบเทียบส่วนนี้จ่อบแบบนี้ในพระสุทที่ใกล้เคียงกันอันนี้มาในสังหุตานิคายนั่นคือจริงอนี้ก็ปรารบพระเทวทัศน์ั่นแหละทัมโมฟังพระเทวทัศน์หลงติดในลาบสาการะเสียงสรรเสริญย่ยอก็มีความไม่สบายก็เลยยกมาสอนภิกษุทั้งหลายนะว่าถ้า ติดอยู่ในลาบสการะเสียงสรนเซินยันยอคล้องอยู่ตรงนั้นเนี่ยจะเหมือนสุนัขจิ้งจอกแก่ที่เป็นโรคเรื้อนตัวนั้นได้ยินเสียงอยู่ในป่าหอนมาแต่ไกลนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แล้วสุนัขจิ้งจอกตัวเดียวกันตัวบ่ั ง, งก็ยังถูกนํามาใช้ในเรื่องนี้ถึง3ครั้งแต่โดยยกครั้งแรกเําเปรียบเทียบกับภิกษุที่ตุลาบสการะเสียงสรนเซินยันยอครอบงำใช่ไหมในครั้งที่2ก็เอาสุนัขจิ้งจอกตัวเดิมนี่แหละ ว่าเออมันจะไปในที่นั้นน่ะถ้ามันมีพอสบายมันก็จะอยู่ได้หรือมาในที่นี้ถ้ามันพอสบายมันก็คิดว่ามันจะอยู่ได้หรือมาในที่โน้นถ้ามันพอสบายมันก็จะอยู่ได้มันอยากอยู่ตรงไหนมันก็อยู่แต่อยู่ตรงไหนมันก็ไม่สบายเลยต้องฟังเพราะว่าด้วยความเี่มนเป็นโรคเรื้อนแต่ตรงไหนที่มันอยู่สบายเนี่ยนะคือมันก็คิดว่ามันจะดีขึ้นเพราะว่าตรงนั้นอาจจะมีลมพอดีไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกิน โรคเรือนเนี่ยถ้าจุดไหนมันลมแรงไปมันก็จะหนาวขึ้นมาจุดไหนอุณหภูมิมันสูงไปมันก็จะแบบคันขึ้นมันก็จะไม่เป็นแต่อยู่มันก็จะไม่เป็นแต่อยู่แต่ตรงนั้นมันพออยู่ได้เนี่ยพอดีพอดีมันจะอยู่ตรงนั้นก็คิดว่าอยู่ตรงนี้ถ้ามันจะดีพูดง่ายๆสําหรับซุนักจิ้งจอกก็คิดว่าตัวมันไม่ได้เป็นโรคเรื้อนไม่ได้เป็นอะไรเนี่ยเพราะมันไม่ได้ดูเห็นมีความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องเชื่อโรคเชื้ออะไรแต่ไปคิดว่าอยู่ตรงนี้มันสบายมันก็อยู่ แต่ว่ามันก็หาความสบายไม่ได้ในที่สุดอันนี้เอามาเปรียบเทียบกับภิกษุเหมือนกันนะ่าฟังที่แค่ถ้าโกนผมผมเหลืองแล้วก็มีการบวชถูกต้องเนี่ยแล้วยังมีความประมาทอยู่เนี่ยเราจะมาคิดว่าตัวเองเป็นภิกษุด้วยอาการแค่เนี้ยมันคิดไม่ถูกต้องในะโดยสุนันทิจจจอกเนี่ยเปรียบเทียบกับภิกษุนะสุนันทิจจจอกนี่มีความไม่ดีคือมีความเป็นโรคเรื้อนอยู่แล้วก็อยู่สบายบางที่เนี่ยคิดว่าตัวเองไม่เป็นโรคไม่เป็นอะไร แต่ความเป็นโรคเรื้อนมันก็ยังมีอยู่นั่นเองเปรียบเทียบกับภิกษุเนี่ยที่ปฏิญญาตัวเองว่าเป็นภิกษุหรือว่าผู้มีศีลอาจจะไม่ใช่ภิกษุก็ได้ทรามบังอาจจะเป็นคารวาสอย่างราๆท่านๆธรรมดาเนี่ยนะในบัตรประชาชนเกียมว่าคุณน้ำตือาศาสนาพุทธแต่ว่าวันๆหนึนน่งปฏิบัติตามที่พุธทธาสอนตื่นเช้ามาเอาอะไรใส่ป่า ก, ก็เบียดเบีย น, ยนสัตว์ก่อนละพูดด่าเขาว่าเขาตีคนนั้นว่าคนนี้โอ้แต่ก่อนออกจากบ้านอาจจะ ยกมือไหว้พระพุทธรูปที่บ้านสักนิดหนึ่งเห็นสารเจ้าสารอะไรก็ยกมือขึ้นเอาแต่ก็ยังเป็นวัตตะโกตูหัลลมงคลเป็นมงคลตื่นข่าวอ้อนวอนขอร้องจะมีความประมาทอยู่แบบนี้แต่ก็ยังคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนพูดอย่างเงี้ยหรือเป็นภิกษุยังมีความประมาทยังไม่ได้มีคุณธรรมของภิกษุอะไรแต่ว่าแหมฉันบวชถูกต้องกนผมห่มเหลืองบวชในพรรษาแล้วนะฉันเป็นพระแล้วมันคิดไม่ถูกยังมีความประมาท เหมือนสุนัขจิ้งจอกที่เป็นโรคเรื้อนแต่อยู่ตรงนี้สบายและคิดว่าโรคเรื้อนมันไม่ได้เป็นแต่ฉันแบบสบายสบายชิวๆอันนั้นคิดไม่ถูกเจอโรคยังมีอยู่ในตัวอันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าออามาสอนเพื่อที่จะบอกว่าคนที่คิดว่าตัวเองเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยโดยยังมีความประมาทยังไม่ได้มีคุณธรรมของความเป็นอย่างนั้นแต่ในกรณีของภิกษุก็ตามผู้ที่เป็นคนพูดก็ตามเนี่ย อันนี้นถือว่ายัางประมาทอยู่อย่าทําตัวแบบสุนัขจิ้งจอกแก่ตัวนั้นอันนี้คือลักษณะการที่พระพุทธเจ้าจะเอาสุนัขจิ้งจอกมาใช้อุปมาประมยัยาทซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่ามันก็จะมีข้อที่ไม่ดีอยู่เพราะว่าลักษณะการใช้ชีวิตของมันเนี่ยจะไปล่าเองนต่มันก็จะมีสัตว์ตัวเล็กๆ เ, เท่านั้นที่มันจะล่าได้เช่นเต่าเช่นกระต่ายส่วนใหญ่มันก็ต้องไปแอบกินซากศพนะโดยปกติก็ในป่าช้าปีดิ ซึ่งตรงจุดนั้นก็จะมีสัตว์อื่นมาแย่งเพราะฉะนั้นทําให้มีคนเปรเียบเทียบสุนัขจิ้งจอกเนี่ยว่าจะต้องมีความเจ้าเล่ห์นั่นก็คือจะต้องรู้จักหาวิธีเอาให้ได้เนื้อสัตว์ที่มันตายเองอยู่ในป่าชา้าผีดิบเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้มีมากอะไรอาจจะมีมากแต่ก็มีสัตว์อื่นมาคอยแย่งเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีวิธีการที่จะเอาตัวรอดในการที่จะหาอาหาร ทำให้เขามีอุปมาอุปไมยเกี่ยวกับเรื่องของสุนัขจิ้งจอกในลักษณะที่ไม่ดีหลายๆอย่างแต่อย่างไรก็ตามแต่มา่ังก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีหมดสุนัขจิ้งจอกนี่ก็ยังมีข้อดีอยู่อันนี้เป็นพุทธบทด้วยนะยังมีข้อดีอยู่ว่าสุนัขจิ้งจอกเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีวิธีการหาอาหารแบบอย่างที่ว่านี้นะพระพุทธเจ้ายกมาเปรียบเทียบกับเรื่องที่ไม่ดีมีมานเป็นต้น มีภิกษุที่ติดลาบสการะเป็นต้นหรือว่าเรื่องของสุนัขจิ้งจอกที่อยากจะเป็นราชาสีดด้วยเนี่ยถึงแม้จะมีเรื่องที่ไม่ดีไม่ดีแต่สุนัขจิ้งจอกนั้นก็ยังมีข้อดีอยู่ตั้งแังว่าตัวมันเองเนี่ยก็ยังมีความกระตันอยู่อยู่บางเรื่องเ็ามีการเล่ามาว่ามีพี่น้องอยู่เจคนไปไถนาอยูอ่ริมป่าแห่งหนึ่งคือชาวนาเขาเปิดป่าขึ้นเนี่ยนะทางป่าเนี่ยก็ทานาใช่ไหม แล้วก็ที่ปลายนาจุดหนึ่งที่ไปติดกับป่าเนี่ยน้องคนสุดท้องไปทํานาอยู่ที่ตรงนั้นน้องคนสุดท้องที่ทํานาอยู่ที่ปลายนาในบริเวณนั้นเนี่ยขณะนั้นเขาก็เห็นงูเหลือมตัวหนึ่งกําลังรัดสุนัขจิ้งจอกแก่ตัวหนึ่งอยู่งูเหลือมตัวหนึ่งนะกําลังรัดสุนัขจิ้งจอกซึง่งตัวไม่ได้ใหญ่มากแก่ด้วยงูเหลือมตัวก็บืเริ่มเลยเนีย่ชาวนาน้องคนสุดท้องคนนั้นทํานาอยู่เห็น เหตุการณ์นี้ว่างูเหลือมกําลังรัดสุนัขจิ้งจอกอยู่เนี่ยก็เลยเอาไม้ไปตีงูเหลือมตัวนั้นและช่วยสุนัขจิ้งจอกตัวนั้นในขณะที่เอาไม้ตีงูเหลือมปรากว่างูเหลือมก็ปล่อยสุนัขจิ้งจอกทันทีในขณะที่ปล่อยสุนัขจิ้งจอกทันทีเนี่ยก็เข้าไปรัดชายชาวนาน้องคนสุดท้องคนนั้นสุนัขจิ้งจอกมีความคิดอย่างนี้ทัง้งหมดบอกว่าโอ้ชายคนนี้ช่วยชีวิตเรา ก็เลยจะช่วยชีวิตชายผุ้นี้บ้างก็เลยรีบวิ่งไปหาพวกพี่ๆชาวนาที่กําลังไถนาอยู่เนี่ยเขาขึ้นทําเสียงขึ้นให้ชาวนาเขารู้ว่าสุนัขจิ้งจอกอยู่ตรงนี้แล้วก็คาบมีดไปนั่คาบมีดไปชาวนาที่เหลือเห็นว่าเอา้าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้มาคาบมีดไปก็เลยรีบวิ่งติดตามในคิดว่าสุนัขจิ้งจอกจะมาขโมยไปสุนัขจิ้งจอกเนี่ย พคาบมีดมาแล้วก็ไปปล่อยวางไว้ในบริเวณที่งูเหลือมกําลังรัดชาวนาน้องคุณสุท ong ที่ปลายนาตรงนั้นพวกชาวนาคนที่เป็นพี่ๆทั้งหลายวิ่งตามสุนัขจิงจอกที่คาบมีดมาโดยหวังว่าจะเอามีดคืนเนีพอสุนัขจิงจอกมาปล่อยมีดในบริเวณที่งูเหลือมกําลังรัดชาวนาน้องคุณสุท ong นั้นอยู่เห็นเหตุการณ์นี้ก็เลยเอามีดที่เจ้าสุนัขจิ้งจอกคายทิ้งไว้เนี่ย เอามาช่วยเหลือน้องคนสตองคนนั้นให้รอดพ้นจากภัยได้ส่วนเจ้าตัวสุนัขจิ้งจอกนั้นก็หนีเข้าป่าไปตามเรื่องตามราวกับมันคือตัวอย่างนี้เขาเป็นคํำอธิบายนะตามในญญติที่พระพุทธเจ้าหมายถึงว่าสุนัขจิ้งจอกที่เราบอกว่าไม่ดีไม่ดีเนี่ยมันก็ยังมีข้อดีอยู่นะคือมันยังมีความกระตันอยู่กระตาเวทีนั่นกระตันอยู่นะคือรู้คุณนะรู้คุณของชาวนาที่อุตส่าห์เอาไม้ตีหมู่เดิมนั้นแล้วก็กระต่าเวที คือกระทําตอบด้วยโดยการที่ไปเรียกชาวนาคนพี่ๆทั้งหลายมาช่วยชาวนาคนน้องที่ถูกงูเหลือมรัดตัวนั้นเปรียบเทียบว่าส่วนนีจรจแม้ดีว่าจะไม่ดีไม่ดีเนี่ยที่พูดมาว่าไม่ดีเนี่ยมันยังมีข้อดีตรงนี้อยู่แต่เปรียบเทียบกับภิกษุนี่คือเปรียบในทางต้นค่ามานะเปรียบเทียบกับภิกษุในธรรมะวินัยนี้เนี่ยพวกที่มันไม่ดีเลยเนี่ยนะแม้กระตัญญูกะตะเวทีก็ไม่มีเลยเนี่ยก็ยังมีนะ โพภิสูที่เป็นแบบนี้มีแต่คือบวชมาในธรรมวินัยนี้ที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วเนี่ยบางทีก็ไม่เห็นคุณของพระพุทธเจ้าไม่เห็นคุณว่าโอท่านช่วยคนให้พ้นจากความตายเป็นอเนกชาติเนี่ยได้อย่างไรไม่เห็นคุณแล้วก็ไม่กระารตอบด้วยแตการกระทำตอบนี่ไม่ใช่ว่าจะต้องโผลมาประกบประงมมาเอาลาบสการะเสียงสรรเสริญยันยอมมาให้ไม่ใช่และไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าต้องการ ในการกระทำตอบแตการกระทำตอบนั้นก็คือทําความดีสืบต่อไปนั่นเองอะดูอย่างสุนงค์จิ้งจอกถึงแม้มันจะไม่ดีอะมันก็ยังมีการรู้กุลและการกระทําตอบคือกระตันยูและกระต่เวทีใช่ไหมแต่คนบางคนในธรรมะในนี้ไม่ใช่ว่าแต่พระสงฆ์เราทั้มดบังฆราว่าเรานี่แหละบางทีก็ไม่ได้มีความกระตันยูเกื้อรู้กุลไม่ได้มีการกระทําตอบที่สมควรแก่การกระทำนั้น บุตมาบางทีก็ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราก็ไม่ได้ทำความดีแต่ว่ามาหากินในทางไม่ดีอันนี้คือไม่กตัญญูกตเวทีมันยังแย่กว่าสุนัขจิ้งจอกตัว น, นั้นโดยซ้ำหรือคารวะบางคนที่บอกว่าตัวเองเป็นคนพุทธติดอยู่ในบัณประชาชนก็ตามเถอะแต่ว่าไม่ได้รู้คุลของพระพุทธเจ้าหรือทำความดีทางกายวาจาหรือใจ ที่จะแสดงถึงการกระทำตอบกระตับเวทีที่ถูกต้องคือจะเป็นคนพูดสักวันละไม่กี่นาทีมันก็ยังดีนะท่านผู้ฟังแต่บางคนเนี่ยไม่ได้เป็นเลยนนี่คือยกตัวอย่างมาในทางตรงกันข้ามว่าถึงแม้สุนัขจิ้งจอกมันจะไม่ดีแต่มันยังมีดีบ้างแต่คนบางคนเนี่ยที่มันไม่ดีเนี่ยมันไม่ดีเลยมันมีเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทแต่ให้เป็นผู้ที่รู้คุณคือมีความกระตันอยู่และมีการกระทำตอบคือกระตับเวที นี้เป็นเรื่องราวของสุนัขทิ้งจอกธรรมบวชที่ข้าพเจ้ายกมารวบรวมให้ธรรมบวชได้ฟังกันเป็นลักษณะการนำเสนอที่พระพุทธเจ้าของเราผู้นำเสนอคนแรกเลยเนี่ยเครียกว่าเป็นผู้สอนเนี่ยได้นำเสนอโดยการใช้อุปมาปมัยอุปมาปไมัยที่ข้าพเจ้านำมารวบรวมให้ธรรมบวชฟังในวันนี้คือเรื่องของสุนัขทิ้งจอกนั่นเองและถ้าธรรมบวชยังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆ สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรนสัญบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่หนึ่งหมู่แปดตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งเป็นข้อความก็ได้ที่เว็บไซต์ puredhama.com p, com, p u r e d h a m a com ข้าพเจ้าพระมาหภาภัยบุญอาภีปุณโญก็ขอลาไปก่อน เขาจะไม่ในวันพรุ่งนี้จเูเลียผ่าน